ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รลงพระพุทธญาณได้นำเสนอเรื่องเมตตาบา ร, รมีสืบต่อกันมาตามลำดับก็ได้พูดมาในสองประเด็นประเด็นแรกก็คือลักษณะลักษณะขององค์ธรรมมล้ก็เหมือนกันลักษณะของบุคคลลักษณะของสิ่งของ ก็เป็นเนื้อหาสาระของสิ่งเหล่านั้นก็คล้ายๆกับไฟเนี่ยมีลักษณะร้อนหรือจะปรากฏในรูปลักษณะอย่างไรก็ตามก็คงความรอดอยู่เมตตาก็มีอาการเกื้อกูลต่อคนอื่นเป็นลักษณะ หมายความว่าจะออกมาทางกายทางวาจาหรือแม้แต่ความคิดแต่ความคิดนั้นคนที่ถือว่าตัวเองเมตตาจะเป็นคนรู้ว่าจริงๆที่แสดงออกมานั้นเป็นเมตตาหรือไม่ดับประการที่สองคือภารกิจหรือหน้าที่ของเมตตาก็คือนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปสู่บุคคลที่เราเมตตา แล้วกระจายคว้างขวางออกไปเมื่อเมตตาเกิดขึ้นก็อย่างที่บอกไว้ว่ามันเมตตาเนี่ยก็คืออ ร, อ, อริยมรรคมีองค์แปดประการหรือว่ากุศลนธรรมส่วนเหตุเมื่อก็เกิดแล้วก็จะทำหน้าที่ขจัดสิ่งที่ส่งกันข้ามกับเขาออกไป คือก็จัดทั้งกสิษฐ์ทรงกสึกใกล้นะฮะกสิษที่ทรงก็คือกิเลสประเภทโทสะตามปกติแล้วท่านจะเน้นที่พยาบาทแต่ว่าจะต้องเข้าใจว่าโดยเนื้อหาสาระแล้วกิเลสประเภทโทสะทุกระดับเป็นปฏิปักษ์ต่อเมตตาซึ่งก็หมายควา ม, มามในบุคคลคนเดียวกันนั่นเองในขณะเดียวกัน เราจะมีเมตตาด้วยแล้วก็มีทโทสะด้วยนี่ไม่ได้ถ้ามีก็มีเฉพาะข้อใดข้อหนึ่งในขณะนั้นๆั้นแต่ในขณะเดยียวกันเมื่อขนาดมันเปลี่ยนความรู้สึกก็อาจจะเปลี่ยนได้คนที่เราเคยรักก็อาจจะช่างได้คนที่เราเคยช่างก็อาจจะรักได้แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็เกิดขึ้นไม่ได้เดน ลักษณะของความอาฆาตพยาบาทเป็นความรู้สึกที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลเวลาพูดในรูปอาฆาตนั้นจงใช้กำว่าอาคาตวัตถุคือเหตุเรื่องหรือกรณีเป็นที่ตั้งหรือเป็นที่เกิดหรือเป็นที่ดำรงอยู่ของความอาฆาตพยาบาทอาจจะเนียวนึกจึกนึกถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีต และนำมาปรุงคิดคิดปรุงด้วยความาคาดพยาบาทต่อบุคคลคือตามปกติแล้วจะเกิดแก่บุคคลนะเพราะว่าเลตานั้นมีสัตว์ทั้งหลายเป็นอารมณ์วัน พ, พยาบาทเองก็ต้องควรจะเกิดเฉพาะที่บุคคลแต่ถ้าเราลองสังเกตให้ลึกซึ้งลงไปว่าถ้าคนใจที่เป็นผ่านมากหมายความว่ามีโมหะมากมี ก็แคอาจจะกโกรธหมดฝนตกก็กโกรธลมพัดก็กโกรธแดดออกก็กโกรธน้ำท่วมก็กโกรธน้ำแห้งก็กโกรธแม้แต่เดินสะดุดเอาก้อนอิฐก้อนอิฐก็โกรธก็อนอิฐก็อหิอนหนั้นก็แสดงถึงสภาพจิตที่อาการหนักมากคือจะไม่มีเหตุผลเพราะตามปกติแล้วพวกกิเลสเขาก็ไม่เหตุผลอยู่แล้วนะ แต่ว่าเมื่อเข้มข้นมากขึ้นมาในเหตุผลสติปัญญาก็จะน้อยลงแม้กิเลสระเภทโลภะเองก็มีลักษณะอย่างนั้นอย่างใกล้ๆกับคนดูมวยหรือ ว, ว่าดูฟุตบอลทางโทรทัศน์เนี่ยที่จริงมันเป็นคลื่นแสงเฉยๆเราก็ดูเป็นตกเป็นตะแล้วก็เชียร์กันเป็นการใหญ่ตะโกนกันลั่นไปหมดเลยทั้งๆที่รู้แสนรู้นะฮะว่า ตะโกนไปเขาก็ไม่ได้ยินแต่เป็นอาการของโลภอาการของโมหะหรือว่าเขาต่อยไม่ดีเขาเล่นไม่ดีก็เกิดโทสะก็ตะโกนด่าก็าแสดงเป็นอาการของโทสะเป็นอาการของโมหะก็ด่าขึ้นแสงนะะด่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตแล้วเขาก็ไม่สามารถจะรับรู้ได้ ก็ทำนองกระดาษภาพถ่ายนะฮะแต่ว่าภาพถ่ายมันเคลื่อนไหวไม่ได้แต่นั้นเองะโดยเนื้อหาสาระแล้วก็เป็นชิดเดียวกันผาความคิดในแนวนี้บางครั้งบางคราวจึงสายไปสู่อดีตจนว่าคนคนนี้ได้เคยทาอันตรายต่อเราเคยทาอันตรายต่อญาติสนิทมิตรสหายของเราหรือทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราก็จะเกิดความอาฆาต คือไม่สามารถจะแยกดีชั่วได้ที่จริงอย่างในกรณีที่สามเนี่ยเขาทําความดีเพียงแต่ว่าทําความดีต่อคนที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ชอบเขาด้วยแล้วถามว่าเกี่ยวอะไรไม่ที่จริงไม่เกี่ยวอะไรเราจรึงหเห็นว่าอาการของกิเลสนัน้นมีความเป็นประเด็จการอยู่ในเนื้อหาสาระหรืออาจจะประรบเหตุการณ์ในปัจจุบัน คนนี้กำลังทำอันตรายกับเราคนนี้กำลังทำอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราคนนี้กำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสัตรูเราก็เกิดโกรธเกิดอาฆาตพยาบาดแต่บางครั้งเนี่ยมันน่าสลดคือภาคการต่างๆที่มีการฆ่าปิดปากเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นอาการของโลภกับอาการของโมหะ แต่วนักจริงๆแล้วมันค่อนไปทางกลัวกลัวด้วยนะกลัวว่าความเลวร้ายของตัวเองจะเปิดเผยขึ้นกลัวบางคนเราเนี้ยจะไปปูดเรื่องที่ไม่ดีของตัวเองขึ้นมาก็มีการคาบปิดปากเป็นเรื่องของความคิดโดยตัวเองปรุงแต่งขึ้นมาเองแล้วก็เรียกว่าเป็นโจทย์เองนะฮะเป็นโจทย์เอง แล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเป็นรายการเองเป็นสารเองคิดว่าต่อไปคนเหล่านี้อาจจะเป็นอันตรายต่อเรานะต่อไปคนเหล่านี้อาจจะเป็นอันตรายต่อญาติพิ่ของเราหรือว่าต่อไปอาจจะเป็นประโยชน์แก่ศัตรูของเรายันงแนวในสมัยโบราณเนี่ยก็ชัดเจนเนี่ ย, ช เ, ย, น เ, นยเช่นว่าฆ่าคนไปเจ็ดชัว่วโคตร ทราวกอนโคนเด็กเล็กเด็กน้อยก็ฆ่าทิ้งกลัวจะย้อนมาแก้แค้นของเราเจ็ดชั่วโคตของจีนตั้งกาวชั่วคนคือถ้าเราดูให้ดีแล้วเนี่ยสังคมมันเป็นอาการของกิเลสมากกว่าอาการของธรรมะเพียงแต่ว่าบางกรณีมันควบคุมไม่ได้ก็ไม่ถึงกับเป็นพิษเป็นภัยอะไรเท่าไหร่แต่พอควบคุมไม่ได้แล้วก็มีความชัดเจนนะว่า ไอ้เมตตาชื่อว่าบางทีมันก็มีกับบางไม่พอพอไม่พอไปขจัดความพยาบาทไม่ได้ไปขจัดความอาฆาตไม่ได้ขจัดโทสะไม่ได้ขจัดโมหะขจัดโกธะไม่ได้ขจัดแม้แต่ความไม่พอใจหรือความหงุดหงิดเนี่ยก็ขจัดไม่ได้กิเลสเหล่านี้ก็ยังครอบงาจิตใจของบุคคลอยู่ เพราะฉะนั้นการที่คนแสดงเมตตาออกมาได้จริงๆแล้วก็มีความตรนเนื่องจึงถือว่าไม่ใช่ธรรมดาพราข้อที่เราไม่ควรลืมก็คือว่าโดยพื้นฐานจริงๆเนี่ยสัตว์โลกมันมีอัตราตดดตนแล้วก็มีความเป็นเราเป็นเขาคือรู้สึกเอานะฮะว่าเรามีอัตราตรดตดนแล้วก็มีความเป็นเราเป็นเขาเพราะการพัฒนาจิตขึ้นไปจนถึงจุดที่ว่า มีเรากับเขาแล้วก็พวกเรากับพวกเขาก็กลายเป็นศีลได้คือเขาลดสิทธิของการแลกกันไม่ลงละเมิดกันแต่เมตตามันไม่ใช่มันต้องมองเป็นเรากับพวกเราซึ่งก็ถือว่าต้องมีสายใหญ่อยู่มากเป็นเพื่อนร่วม โลกเป็นเพื่อนร่วมชาติร่วมศาสนาร่วมสถาบันประมาะกษัร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันคือต้องคิดไ ห, หลายสายเพราะถ้าคิดเปียงสายสองสายพอสายมันขาดแล้วก็ไม่มีจุดดิศเดียวในแนวของการเจริญเมตตาเดีย๋ยวเราลองดูว่าในสังคมพุทธเราเนี่ยเจริญเมตตามันส่วนใหญ่มันมกักจะเป็นธรรมเนียม คือไม่ค่อยเอาจริงเอาจังเท่าไหร่คือทําในรูปแบบของศาสนาพิธีไม่ใช่ศาสนาปฏิบัติที่จริงตัวนี้เป็นศาสนาปฏิบัตินะมันต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านจิตใจเราบอกว่เมตตาต้องไม่มีอาการของโทสะจะหยาบจะกลางจะละเอียดก็ตามแต่มันจะออกมาในรูปของพร้อมจะกรุณาพร้อมจะมุทิตาแล้วก็พร้อมจะเบกขา มันก็เป็นจะเดินไปทางโน้นเลยซึ่งแสดงว่าพลังของเมตตาจะต้องสามารถขจัดพยาบาทออกไปได้อย่างน้อยที่สุดนี่ต้องสงบพยาบาทได้แตในขณะเดียวกันอย่างที่คือเคยบอกไว้ว่ากิเลสประเภทโลภะหรือประเภทราคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือประเภทราคะ มันแสดงอาการที่เป็นรู ป, ปรธรรมคล้ายๆเมตตามีการทะนุถนอมบปุุมคุ้มครองปกป้องรักษาอภิบาลเหมือนกันวันธรเมตตาจริงเนี่ยต้องข้าใจได้บางคราวบางคราวเรามีข่าวฟังแล้วก็สะหดสะหลดหดถูบุกการีไปล่วงละเมิดทางเพศต่อลูกหลานตัวเองนั้นแสดงว่า เมตตาเนี่ยมันอ่อนแต่ราคามันมากแล้วในที่ถู ก, ก็คุมตัวราคาไม่ได้เพราะราคามันเป็นเป็นธาตุคือกามธาตุที่มีอยู่ภายในใจของสัตว์โลกระดับกามาไปจ ร, ราะาปริมาณของเมตตาจะต้องขจัดกิเลสสายนี้ได้ด้วยนะตามปกติแล้วเนี่ยมัน โดยพื้นฐานทั่วไปคนที่มีจิตสำนึกดีพอสมควรก็สามารถแสดงเมตตาออกมาได้มีผู้ใหญ่ท่านเคยเล่าให้ฟังแต่ว่าจริงเต็ดยังไงไม่ทราบ น, นะท่านบอกว่าช้างเนี่ยจะมีความเคารพนับถือต่อพ่อแม่ตัวเองมากแม้แต่จากกันหลายๆสิบปี แกกำลับบงตกมันเนี่ยได้กลิ่นแม่แต่นั้นเด็หยุดอารวาดทันทีเลยนั่นแสดงว่าใจก็สูงมากเป็นสำนึกตามสัญชาตญาณสัตว์แต่ว่าก็สูงส่งมากในขณะเดียวกันเราก็โดยพบในแวดวงของมนุษย์เนี่ยมันรู้อำนาจแกราคาตันหาประพฤติสับสนในเรื่องเหล่านี้เป็นข่าวเป็นคราวให้ได้ยินได้ฟังอยู่เสมอ แต่บางครั้งบางราวก็หดถูนะไปได้ยินเข้ามันคล้ๆจะทวนกระแสกิเลสไม่ค่อยไหวแล้วคือกระแสของธรรมะกระแสสินธรรมไม่สามารถจะปะทะสิ่งเหล่านี้ได้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะตัวบุคคล เราจึงพบว่าปฏิปทาของพระโพธิสัตว์นั้นจะไม่มีปัญหาทางด้านพยาบาทและไม่มีปัญหาทางด้านราคาก็มีบางตอนในดีตการนานไกลก็เคยพบว่ามีปัญหาในเรื่องโลภะคือแย่งสมบัติจนถึงกระค่าน้องต่างมารดาตัวเองก็รักสั่งเล่านะฮะแต่ก็หมายความว่าตอนนั้นบารมีก็ยังไม่แก่กล้า แต่พอบารมีแกกลากขึ้นมาเนี่ยอาการของเมตตาจะเด่นชัดแล้วก็จะประับเปลี่ยนเป็นการุณาเมื่อยามที่คนซึ่งตนเมตตาประสบ ป, ปัญหาและบางครั้งก็เสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตตัวเองอย่างในชาติหนึ่งเกิดเป็นพยาวานอนมีบริวารอยู่เป็นอันมาก แล้วก็มังเกิดอันตรายต้องการจะให้ว่านอนที่เป็นบริวารนนะ่ะข้ามแม่น้าไปก็เชือกไปผูกไว้ด้านหนึ่งแล้วด้านหนึ่งก็ผูกเอลตัวเองก็จะเอามาต่ออีกด้านหนึ่งเชือกยาวไม่พอก็ต้องลงลว่าต้องผูกที่สเอลตัวเองแล้วก็มือเนี่ยไปดึงกิ่งไม้เอาไว้ แล้วก็ลิงจำนวนมากวันไา่ไปตามเชือกก็หนักไม่ใช่เบาเลยจนถึงก็ลิงตัวหนึ่งไปทมเอาขาหาักไปเลยนั้นือแสดงให้เห็นว่ามันออกมาในรูปของการูณานะแล้วก็เสียสละตัวเองเพื่อกะจัดความทุกข์ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งหลายฟันจิตานุภาพในลักษณะนี้จึงต้องเย็นจาก คือสงบเย็นจากพยาบาทแล้วก็จากราคะด้วยเพราะอะไรเพราะว่าถ้ายังมีอาการพยาบาทอยู่หรือยังมีอาการของการมาราคะหรือเปมะหรือแม้แตะเกียร์จิตาเปมาและเมตตามันก็จะเจือเจือปนในเรื่องเหล่านั้นแสดงอนุภาพออกมาไม่ได้เต็มที่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ย เช่นว่าคนที่ตนเมตตาแต่ไม่มากเมื่อประสบอันตรายขึ้นซึ่งควรจะปรับเป็นการุณามันปรับไม่ได้อาจจะกลายเป็นวิหิงสาหรืออาจจะกลายเป็นเฉยๆคือรู้สึกสะใจแต่ก็ไม่ถึงจะแสดงอะไรเมตตาจึงต้องก็ใกล้ๆกับแสงสว่างะนะะคือใกล้สว่างมันต้องขจัดความมืดได้จริง จึงมองอะไรต่างได้อย่างชัดเจนหรือว่าความเย็นจะต้องลดความร้อนได้จริงจึงจะอยู่เป็นสุขอยู่อย่างสบายทีนี้ถ้าอาการที่ปรากฏเนี่ยคือผลที่ปรากฏภายในจิตอันนี้ก็จิตใครจิตคนนั้นนะฮะมันเป็นผลพอตนพอนึกถึงผลก็นึกถึงแค่แคๆการรับประทานอาหารแค่แคๆการอาบน้ำแค่แค่การกินยาเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวคน แล้วนึกถึงพระธรรมคุณสองบทที่ว่าสันทิติโกกับปั จ, จตังไวฤตุโภโยหิไว้ทุกคราวนะว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนหนึ่งไม่มีคนอื่นที่จะไปสัมผัสร่วมได้ทํานองคล้ายๆกับเรารับประทานอาหารในโต๊ะเดียวกันต่างคนต่างก็อร่อยต่างคนต่างก็กินต่างคนต่างก็อิ่มอิ่มแทนกันไม่ได้อร่อยแทนกันไม่ได้เคี้ยวแทนกันไม่ได้อะไรก็ไม่ได้กันังหมดเลย ความสงบเย็นนั้นจะเป็นผลที่ปรากฏแก่จิตแมตาจึงมีความสงบมีความเยือกเย็นสงบจากอะไรสงบจากกิเลสประเภทโลภะและประเภทราคะแต่พอประเภทโลภะกับราคะสงบให้ลองสังเกตว่าสรับคนที่เราเมตตาเราจะไม่ไปสแสวงหาประโยชน์จากคนเหล่านั้น จะมีการเอเื้อเฟื่อเผื่อแผ่โ อ, อ, ก อ, อก้อบอารีมีการสงเคราะห์นุเคราะห์จนออกมาเป็นรูปของเสียสละเมตตาจึงคุมพฤติกรรมที่เป็นกุศลเอาไว้เป็นอนเนกจนสามารถสรุปรวมเป็นว่าโลโกปาธมพิกาเมตตาเมตตาเป็นธรรมคำจุโลกเพราะว่า โลกก็คือสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตดังกล่าวเนี่ยทีนี้เราเมตตาในตัวชีวิตเนี่ยพอไปเจอก็สิ่งของก็ของคนที่เราเมตตาไปเจอคู่ครองเราก็มองเขาด้วยเมตตาอยู่แล้วแล้วในขณะเดียวกันมันก็อาศัยเมตตาต่อคนอื่นปกป้องคุ้มครองเขาไม่เกิดอันตรายคือเราไม่ทําอันตรายแล้วนะแต่ว่า หากว่าเขามียอันตรายเราก็ปกป้องคุ้มครองตรงนี้ที่จริงถล่มมองแล้วมันก็อยู่ในจิตปัญญาของมนุษย์นะมาถึงจุดหนึ่งคนถ้าไม่เลวร้ายจนเกินไปมันจะแสดงออกมาในรูปของเมตตาทางการุณาก็เรียกเมตตาอินดูนะคือเวลาอีกฝ่ายหนึ่งเขาประสบภัยพิบัติแล้วมักจะเกิดพลเมืองดีขึ้นมา แม้ในปัจจุบันจากาศแครนไปบ้างก็ตามนะแต่ว่ามันก็มีนะฮะที่เขาแสดงออกมาในการช่วยเหลือกู้กูลแก่บุคคลทั้งหลายอย่างเมื่อหลายปีมาแล้วที่มีคนลงป่าที่เขาใหญ่กับที่โตนงานช่างทางภาคใต้หรือว่าแม่แต่เหตุการณ์ในสงครามอ่าวที่กรรมกรคนไทยไปช่วยเหลือพี่น้องของตนเองที่เป็นแพทย์บ้างเป็นพยาบาลบ้างเป็นคนเดินทางบ้างเนี่ย ให้อบระยะุบหนีออกมาจากตะวันออกกลางโดยไม่ได้บอกชื่อเสียงเรียงนามคนตเดงแล้วก็แสดงว่าไอ้จิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยมันก็มีเมตตาความเอ็นดูอยู่แลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในกรณีที่ผูกพันกับตัวเองก็พร้อมจะแสดงอาการเหล่านี้ออกมาแต่พระโพธิสัตว์เนี่ยมันบำเพ็ญไปสู่จุดสูงสุดนะครับ ดังนั้นเราจะเห็นว่าพอเรามองว่าท่านสงบเย็นเช่นในสมัยที่เป็นพระสุวรรณสามโพธิสัตว์หรือสมัยตรงไหนก็ได้อนะอาการเขาไม่ต า, าก็ปรากฏตลอดแล้วก็ปรับเปลี่ยนเช่นในพระวิชาติพระเวสสันดรถ้าเรามองเราแค่พูดว่าเรื่องทานนะฮะแต่เราสังเกตว่าการให้ช้างปัจจัยนาก็ดีการให้รถก็ดีการให้ม้าก็ดีหรือว่าการตลอดถึงการเสียสลั ความสะดวกสบายส่วนพระองค์ที่จะไปอยู่กับพวกกษัตริย์อเอตราชก็เพราะเมตตาสงสารกลัวความขัดแย้งต่างๆจะเกิดขึ้นแล้วก็ช้างปัจเจนามันก็กรุณานะเป็นอาการของกรุณาคือให้ช้างปัจเยนาเป็นกรุณาเพราะว่ากาลิงกาาดมันมีภัยเกิดสภาพแพง แ, งแล้งก็เดือดร้อนก็ต้องการที่จะบำบัดทุกข์แกขา แต่พื้นจิตของท่านเนี่ยท่านก็มีเมตตาดังนั้นเราจรึงเห็นว่าในชาติพระเวศสันดรหรือชาติชาติพระเวศสันดรที่ยกมาบ่อยเพราะว่าเราคุ้นกันนี่ยนะคือฟังกันบ่อยๆเวลานี้บางทีเนี่ยเราไปพูดอะไรกับ น, นักศึกษาถามประวัติศาสตร์ยกตัวอย่างประวัติศาสตร์ยกตัวอย่างวรรณคดีเนี่ยเงียบฉี่เลยเนะแกไม่เคยอ่านนะเราก็งงๆเหมือนกันนะ แม้แต่พระใหม่เนี่ยบางทีก็ปัญญาตรี่วนใหญ่ปัญญาตรีลองถามดูคือมันมันมันถ้าถ้าเขาเคยอ่านเรื่องเหล่านั้นเราจะสรุปง่ายมันไม่จําเป็นจะต้องอธิบายอะไรเราก็ดึงเรื่องขึ้นมาแล้วก็สรุปไปคุกดูเป็นสิ่งที่เขาคุ้นอยู่แล้วก็จะเกิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่าเนี้ยมันเป็นการแสดงถึงว่าบารมีที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญไม่ว่าประชาติไหนก็ตามจะชาติเป็นส่วนรณสามไปเน้นที่เมตตา ถ้าเราดูดีมันมีทุกทุกข้อทุกจังหวะขั้นตอนของชีวิตเนี่ยที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือท้านมีความสงบเย็นไม่ว่าในท่ามกลางภัยอันตรายอย่างไรก็าตามแม้แต่ว่าท่านถูกยิงก็กำลังจะตายไม่ตายแล้ว ยังมีวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานแสดงถึงความสงบเย็นภายในไม่มีความโกรธไม่มีความขับแค้นไม่มีความอาฆาตพยาบาทอยู่ภายในนั้นก็คือเมตตาจิตที่ผู้ปฏิบัติผู้มีนะฮะผู้มีก็สามารถสัมผัสผลเป็นความสงบเป็นความเยือกเย็นเป็นความสุข คือรู้สึกตัวเองโปร่งโปร่งเบาไม่มีเวทไม่มีภั ย, ไ ม, มภยไม่มีอันตรายอะไรกับใครๆส่วนใครจะคิดจะทำนะั้นเป็นอีกเรื่องของเขานะแต่เราไม่คิดกันแล้วกันคือธรรมะนั้นจะต้องจับประเด็นได้ว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนใครปฏิบัติเป็นกระบวนของกรรมนั่นแหละคือหมายความาใครปฏิบัติคนนั้นก็ได้มาปฏิบัติก็ไม่ได้แล้วก็ทํำยังไงให้มีเมตตาจนเป็นเมตตาอิหารีคือมีปกติอยู่ในเมตตาจิตเนี่ย แล้วก็จิตมันจะเดินเข้าสู่กระแสกุศลเองดังนั้นจึงไปลดโลภะได้หลอนสังเกตว่าคนที่เราเมตตาเนี่ยเราสงเคราะห์ก็ได้ก็แสดงว่าขาจัดความสนิทขจัดโลภะได้ด้วยทุกฟังทั้งหลายแต่รุ่มบริโภติยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไพบูุญในธรรมจงมิเดท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี